วันนี้เป็นวันจันทร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดเฉยๆวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ทางราชการจึงได้กำหนดหยุดวันชดเชยให้หนึ่งวันคือในวันนี้ทำให้ศรัทธาญาติโยมไม่ต้องไปทำงานทำการหนึ่งวันจึงมีโอกาสได้มา ทำบุญเพิ่มเติมจึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญได้ทำบุญเพิ่มเพราะถ้าต้องไปทำงานก็จะไม่ได้ทำบุญบุญบางอย่างเราทำได้ถึงแม้เราจะต้องไปทำงานแต่บุญบางอย่างเราจะทำไม่ได้ถ้าเราไปทำงาน บุญที่เราทำได้เวลาที่เราไปทำงานก็คือการทำทานทำบุญใส่บาตรเราทำได้ตอนเช้าก่อนจะไปทำงานก็แวะใส่บาตรเสร็จแล้วไปทำงานต่อได้หรือรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเราสามารถรักษาได้ ถึงแม้เราจะต้องไปทำงานทาการแต่ถ้าเราต้องการบุญที่สูงกว่าเช่นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแปดบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบุญเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาหรือมีสถานที่ ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญที่เอื้อต่อการปฏิบัติเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปทำงานเราก็สามารถมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่บนเขานี้ได้การจะปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมต้องมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ที่เอื้อต่อประโยชน์ที่จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนะถ้าต้องไปทำงานทำการการจะปฏิบัติธรรมนี้ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะว่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบ ให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่เวลาทำงานทำการก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดต่างๆจึงไม่สามารถทำใจให้สงบได้ถึงแม้ว่าจะมีสติอยู่กับการทำงานแต่ก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งสติที่ไม่ได้เอื้อต่อความสงบ สติที่เอื้อต่อความคิดปรุงแต่งในการทำงานทำการไม่ให้ผิดพลาด น, นี่คือทำไมการทำบุญบางชนิดนี้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆและมีสถานที่ที่สงบสงดัด เพราะถ้าภาวนาหรือฟังธรรมในที่ที่อึกกระทึรครึุกโคมที่มีเสียงอะไรมากมายจะรบกวนต่อสมาธิในการฟังธรรมหรือรบกวนต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองดังนั้นถ้ามีเวลาว่าง น่าเป็นผู้ที่สนใจต่อการภาวนาต่อการฟังเทศฟังธรรมก็จะได้กําไรจะได้มีเวลามาภาวนาอีกหนึ่งวันมาฟังเทศฟังธรรมอีกหนึ่งวันก็จะได้รับบุญที่เกิดจากการภาวนา คือความสุขความสงบของจิตใจการจะภาวนาได้ผลดีในเบื้องต้นก็ต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมศึกษาแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องกระทาอย่างไรดังนั้นการฟังธรรมจึงเป็น การทำบุญที่สำคัญในขั้นแรกของการปฏิบัติเพราะถ้าไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ได้รับผลที่ถูกต้องและอาจจะได้รับโทษได้ผลที่ไม่ปรารถนา จึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมกันก่อนการฟังเทศฟังธรรมจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ฟังในที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจที่ห่างไกลาจากแสงสีเสียงต่างๆคือที่สงบสงัดวิเวกนอกจากนั้น ผู้ที่ฟังเองก็ต้องอยู่ในความสงบด้วยไม่เท่าเวลาฟังทำจึงไม่ควรทำอะไรเรียกว่าสงบกายให้นั่งเฉยๆไม่ให้พูดคุยกันเรียกว่าสงบวาจาและไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสงบใจ ความสงบกายสงบวาจาก็คือศีลความสงบใจก็คือสมาธิถ้ามีศีลมีสมาธิมารองรับปัญญาของพระพุทธเจ้าที่มาในจากการฟังเทศน์ฟังธรรมผู้ฟังธรรมก็จะได้รับานิสง์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 ที่เกิดจากความสงบนี่คือประโยชน์ห้าประการที่ผู้ฟังจะได้รับถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบในสมัยพุทธกาลผู้ที่มีกายวาจาใจที่สงบนี้สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้หลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเลยก็มี เช่นในการแสดงธรรมขั้นแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงโปรดพระปัญจวัคคีผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิคือสามารถเข้าฌานในระดับต่างๆได้พอได้ยินได้ฟังธรรมคือปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้า ผู้ฟังก็สามารถเอาปัญญานั้นมาใช้ในการชำระกิเลสทันหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมดได้เลยทันทีในขณะที่ฟังธรรมนหลังจากที่ทรงสแสดงเส ร, ร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือสามารถปล่อยวางขันห้าได้ละความหลงที่ไปเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราได้ไม่ไปยึดติดกับขันห้าคือร่างกายและความรู้สึกนึกคิดก็เลย สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและความรู้สึกนึกคิดได้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันที่จะเหลือพบชาติอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป ถึงแม้ในอดีตจะเคยทำกรรมนหนักหนาสาหัสมา ก, ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะธรรมที่ได้บรรลุถึงนี้จะยับยั้งจิตใจไม่ให้ตกไปในอบายนั่นเองอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วคือพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมแท้ร้อยเปอร์เซนต์ธรรมที่ไม่มีความปลอม เ, อเจือปนอยู่ผู้ฟังก็ฟังได้อย่างสนิทใจเชื่อได้อย่างสนิทใจและสามารถน้อมนําเอาไปพพิจารณาได้อย่างสนิทใจก็เลยสามารถ กำจัดทุกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้อันนี้เป็นประโยชน์ที่ได้ฟังธรรมในสถานที่สงบสงัดวิเวกและผู้ฟังก็มีกายวาจาใจที่สงบอันนี้เปรียบเทียบถ้าเราไปฟัง ทำในที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยหรือมีเสียงมีอะไรต่างๆมาคอยรบกวนเช่นเวลาเราไปงานต่างๆงานงานศพงานอะไรก็จะมีการแสดงธรรมแต่บรรยากาศของสถานที่ที่ฟังนี้มักจะไม่สงบเพราะ วัดวาที่มีเมนนี้มักจะตั้งอยู่ในบ้านในเมืองก็จะมีเสียงอะไรต่างๆเข้ามารบกวนสมาธิของผู้ฟังจึงทำให้ฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าไปฟังเทศฟังธรรมตามวัดป่าวัดเขาที่มี ที่เป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกการฟังธรรมก็จะได้ฟังอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้ออกไปจากการฟังธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมเพราะผู้ฟังศีลนะสมาธิยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็จะได้อนิสงส์บางอย่าง เช่นจะอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังบ่อยขึ้นซ้ำบ่อยขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้ความหลังเลสงสัยต่างๆหายไปได้ให้หมดไปได้ธรรมที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หรือได้ฟังมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เองกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องที่เราที่เป็นชาวบุตรเชื่อกันแต่ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะเรายังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์เช่น กฏแหงกรรมพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเมื่อฟังแล้วเราก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจคำว่าเรานี่คือใคร ถ้าเราไปเข้าใจว่าเราเป็นร่างกายมันก็จะทำให้เราสงสัยได้แล้วถ้าเวลาร่างกายตายไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้ต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆถึงจะเข้าใจว่าคำว่าเรานี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือหรือผู้รับใช้เราเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเวลาที่รถยนต์จอดเฉยๆไม่มีคนขับนี่รถยนต์จะไปไหนมาไหนไม่ได้รถยนต์จะไปไหนมาไหนได้ต้องมีคนขับรถยนต์สั่งไป ร่างกายก็เหมือนกันร่างกายถ้าไม่มีใจผู้รู้ผู้คิดมาสั่งให้ทําอะไรร่างกายก็จะไม่ไปทําอะไรก็จะนั่งอยู่เฉยๆดฉะนั้นผู้ที่ทํากรรมดีหรือกรรมชั่วบุญหรือบาปนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับคําสั่ง จากผู้รู้ผู้คิดอีกทีหนึ่งผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ที่ทําบุญหรือทําบาปทําดีหรือทําชั่วและเป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ได้ฟังจากผู้รู้จริงๆ จ, จะไม่รู้ว่าพูดถึงใครกันแนะ่ ไม่รู้ว่าพูดถึงร่างกายหรือพูดถึงจิตใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี้จะเห็นเพียงแต่ร่างกายจะไม่เห็นจิตใจไม่เห็นผู้รู้ผู้คิดและอาจจะไปคิดว่าเป็นคนเดียวกันจะคิดว่าผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเกิดมาพร้อมกัน แล้วก็ตายไปพร้อมกันถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่เชื่อเรื่องอนิสง์ของบุญของบาปคือสวรรค์หรือนรกที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมนี้จะได้รู้ที่มาที่ไปของร่างกายและจิตใจว่า มาคนละที่ไปคนละที่กันเพียงแต่มารวมกันตอนที่เกิดในท้องแม่เท่านั้นเองเหมือนกับสามีภรรยาต่างคนก็มาต่างที่กันมาจากคนละครอบครัวกันสามีก็มาจากครอบครัวหนึ่งภรรยาก็มาจากครอบครัวหนึ่งแต่มาเจอกันก็เกิดความชอบกัน ก็เลยเกิดการแต่งงานกันอยู่ร่วมกันแต่ก่อนที่จะมาอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้มาพร้อมกันอยู่มาจากคนละที่กันและเวลาตายก็ไม่ได้ตายพร้อมกันตายก่อนตายหลัง น, นี่ น, นานๆอาจจะตายพร้อมกันถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เบิ่นกัน จิตใจคือผู้รู้ผู้คิดเวลาที่ร่างกายตายไปนี้จิตใจของผู้รู้ผู้คิดนี้จะยังอยู่ต่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็จะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ผลบุญผลบาปที่ดวงวิญญาณรับก็คือความสุขหรือความทุกข์ในรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในดวงวิญญาณนั้นที่เราใช้คําว่าฝันความจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดวงวิญญาณซึ่งขณะที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะไม่ รู้ว่าเราฝันเราจะไม่รู้เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเหมือนตอนนี้แต่ความจริงเราจะมารู้ในภายหลังเช่นเวลาที่เราฝันนอนหลับฝันไปพอเราตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เป็นความฝันแต่ความจริงความฝันนั่นก็เป็นความจริงเพียงแต่ว่ามัน เป็นความจริงอีกโลกหนึ่งจากโลกที่เราตื่นกลับมาเวลาเราตื่นเราก็กลับเข้ามาสู่โลกของร่างกายคือโลกกระธาตุแต่เวลาเรานอนหลับเราก็กลับไปสู่โลกทิพย์โลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณที่มีเหตุการณ์เหมือนจริงเวลาที่เราฝันเหมือนกับที่ตอนที่เราฝัน นั่นและคือสภาพของดวงวิญญาณหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วดวงวิญญาณที่ทําบุญมากกว่าทําบาปบุญก็จะมีอิทธิพลต่ อ, อการสร้างเหตุการณ์ที่ดีคือความสุขต่างๆให้กับดวงวิญญาณได้เสพได้สัมผัสได้รับรู้ถ้าบาปที่ได้ทําไว้มีมากกว่าบุญ ดวงวิญญาณก็จะได้เสพสัมผัสกับเหตุการณ์ที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนต่างๆ mm. เช่นมีความหิวโหยมีความหวาดกลัวหรือมีความเครียดแค้นต่างๆปรากฏขึ้นในเหตุการณ์เหล่านั้นนี่แหละคือสภาพของดวงวิญญาณ ของผู้กระทำบุญหรือทำบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่คือผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เรียกเป็นชื่อใหม่ว่าเป็นดวงวิญญาณแล้วก็รับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในรูปแบบของเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ขึ้นมาในดวงวิญญาณนั้น เหตุการณ์ดีก็เกิดจากบุญเหตุการณ์ไม่ดีก็เกิดจากบาปนะแล้วก็จะรับกับอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นจนกว่าพลังของบุญหรือบาปหมดกําลังลงที่จะปผลิตเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาในดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพราะว่าในดวงวิญญาณนี้ ยังมีเหตุที่คอยผลักดันให้ไปเกิดใหม่ไม่มีร่างกายอันใหม่เหตุที่พาให้ดวงวิญญาณยังต้องไปหาร่างกายอันใหม่ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี้เองความหลงที่คิดว่าความสุขนี้อยู่ที่รูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆก็จะอยากจะไปเสบรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรส ก็ต้องมีเครื่องมือในการเสพนะจะเสพรูปได้ก็ต้องมีตาจะเสพเสียงได้ก็ต้องมีหูจะเสพรสได้ก็ต้องมีลิ้นจะเสพกลิ่นได้ก็ต้องมีจมูกจะเสพสัมผัสกับสิ่งต่างๆเช่นความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งก็ต้องมีร่างกายจึง ให้ดวงวิญญาณ น, นั้นไปคอยหาร่างกายอันใหม่พอมีพ่อแม่คนใหม่ได้สร้างร่างกายขึ้นมาใหม่คือสร้างลูกขึ้นมาในท้องดวงวิญญาณที่ต้องการร่างกายก็จะเข้าไปครอบครองทันทีแล้วก็จเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ไปจน ถึงระยะเวลาที่ต้องคลอดออกมาก็จะคลอดออกมาความจริงดวงวิญญาณไม่ได้เข้าไปอยู่ในท้องแม่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายดวงวิญญาณเพียงส่งกระแสของการรับรู้รูปเสียงกลิน่นรสไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเท่านั้นเองกระแสของการรับรู้นี้ เราก็เรียกวิญญาณอีกอย่างนึงเป็นวิญญาณในขันห้านส่วนผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีร่างกายนั้นเราเรียกว่าดวงวิญญาณพอผู้รู้ผู้คิดได้พบร่างกายอันใหม่ก็ส่งกระแสผู้รับกระแสรับรู้คือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรส ที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วจะได้เส็บได้สัมผัสกับความรู้สึกที่อยากได้คือความสุขที่ได้จากการเส็บรูปเสียงกล็ดลดต่างๆนี่แหละคือที่มาที่ไปของร่างกายและของจิตใจผู้รู้ผู้คิดมาจากคนละที่กันมาพบปะกันในท้องแม่ แล้วก็อยู่กันมาจนถึงวันที่แยกทางกันวันที่ร่างกายตายไปช่วงที่อยู่ร่วมกันผู้รู้ผู้คิดนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆทำบุญบ้างทำบาปบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์พาไปส่วนใหญ่ก็จะทาบาปกันก่อน เพราะว่าเวลาเกิดมาใหม่ๆยังยังไม่มีอะไรที่จะไปทำบุญได้ไม่มีเงินทองไม่มีอะไรมีแต่ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็อาจจะไปขโมยไปหยิบของคนอื่นมาเช่นตอนเป็นเด็กนี่จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วเห็นอะไรอยากได้ก็จะไปเอามา พอพ่อแม่เห็นว่าทำไม่ถูกถึงต้องมาเตือนต้องมาสอนว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เอาข้าวของของคนอื่นไปไม่ได้ถ้าอยากได้อะไรต้องขออนุ ญ, ญาต จ, จากเจ้าของเขาก่อนถ้าเขาให้ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่ให้ก็อย่าเอามาเพราะถ้าเอามาแล้วถือว่าเป็นการทำบาปจะมีโทษตามมา หรือการพูดก็เหมือนกันถ้าพูดโกหกพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนคอยบอกว่าอย่าพูดปดพูดปดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเกิดโทษตามมาอันนี้ถึงจะมาเรียนรู้ในภายหลังพอโตขึ้นก็จะคอยยับยั้งควบคุมความอยากถ้าอยากได้อะไรก็ต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ทำบาป แต่บางพวกก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะคอยยับยั้งความอยากได้ก็ถึงแม้จะรู้ว่าบาปก็ยังทำอยู่เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่มีใครมาจับไปลงโทษเช่นขโมยจึงมักจะไปขโมยตอนยามดึกตอนที่คนนอนหลับไม่มีใครรู้ใครเห็น พอขโมยข้าวของไปก็ไม่ถูกจับไปลงโทษก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปรับผลบาปแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบาปผู้ที่รับผลบาปและผู้กระทําบาปคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละผู้ที่คิดนี่แหละคือจิตใจคิดว่าจะไปขโมยของของบ้านนี้กันในคืนนี้ แล้วก็พอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายพาไปที่บ้านนี้แล้วก็สั่งให้เข้าไปในบ้านนั้นขโมยข้าวของออกมานีร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำํำเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทําเช่นเป็นเหมือนรถยนต์เนี่ยรถยนต์นี้ไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายผู้ที่กระทําผิดกฎหมายคือผู้ขับรถยนต์เช่น วิ่งฝา่าไฟแดงไปหรือวิ่งเกินความเร็วเกินที่กาหนดไว้เวลาตำรวจจับตารวจไม่จับเอารถยนต์ไปปรับแต่จับคนขับรถไปปรับหรือไปลงโทษถ้าไปขับรถชนคนตายเขาจะไม่เอารถยนต์ไปขังไว้ในคุกในตารางเขาจะเอาคนขับไปขังในคุกในตารางแทน อันนี้ก็เหมือนกันจิตใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์ร่างกายนี้เป็นเหมือนผู้เป็นเหมือนรถยนต์ผู้รับคำสั่งจากจิตใจงนั้นผลไม่ได้เกิดที่รถยนต์ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเวลาทำบุญหรือทำบาปผลจะเกิดขึ้นที่ใจเบื้องต้นก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้น เวลาทำบุญใจก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดความพอถ้าทำบาปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความร้อนเกิดความไม่สบายใจอันนี้แหละคือผู้กระทำบุญและผู้รับผลของบุญหรือบาปคือใจผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่ร่างกายถ้าเราไปดูกฎแห่งกรรมที่ร่างกาย เราจะสับสนจะสงสัยมากขึ้นไปเพราะถ้าเราดูที่ร่างกายถ้าทำบุญร่างกายเราก็ต้องเจริญต้องมีความสุขมากขึ้นต้องมีความเจริญมากขึ้นเช่นมีเงินทองมากขึ้นมียศมีตำแหน่งสูงขึ้นมีคนสรรเส ร, ริญเยินยอในการทำความดีของเราแต่บางทีทำดีแล้วกลับไม่ได้ดี พราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นหรือคนที่เขารู้เขาเห็นเขาไม่มีอำนาจที่จะให้รางวัลกับเราได้คนที่มีอำนาจให้รางวัลอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่ชอบเราก็ได้ถึงแม้เขาเห็นเราทำความดีแต่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ให้รางวัลจากการทำความดีของเราถ้าเราไปมองผลที่ร่างกายแล้วเราก็จะ สับสนเพราะบางคนทําชั่วกับได้ดีก็มีถมไปแทนที่จะทําดีก็ไปทําไม่ดีให้เจ้านายรับใช้เจ้านายโดวยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นหนีงานไปทํางานให้เจ้านายอย่างนี้เจ้านายไม่ว่าเจ้านายกับให้รางวัลให้เงินเดือนเพิ่มให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพิ่มให้ ดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอันนี้เป็นเรื่องกฎของโลกกฎของกิเลสกฎของความพอใจซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนจึงจึงปรากฏว่าบางทีทําดีแล้วไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปนี่ไม่ใช่กฎแห่งกรรมขอให้เราเข้าใจไว้แล้วก็คิดว่า การทำดีหรือความชั่วก็จะสิ้นสุดลงตอนที่ร่างกายตายไปอย่าไม่มีผลอะไรตามมาต่อไปไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการไปสวรรค์ไปนรกเพราะเมื่อเห็นผู้กระทาคือร่างกายตายไปก็ถูกนาเอาไปฝังดินหรือถูกเอาไปเผากายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป แล้วใครจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกมองไม่เห็นมองไม่มีเนี่นี่คือถ้าเรามองที่ร่างกายเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเราไม่สามารถมองเห็นผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ ผู้ที่จะเห็นร่างกะเห็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นผู้ที่เข้าฌานได้เข้านั่งสมาธิได้เท่านั้นเพราะการฝึกสมาธินี้เป็นการแยกร่างกายออกจิตใจออกจากร่างกายนั่นเองเราจึงต้องอาศัยผู้ที่มีพลังจิตอย่างพระพุทธเจ้าและพระอานันตาสาวก ผู้ที่ได้ฝึกสมาธิจนสามารถเห็นร่างกายกับใจว่าเป็นคนละส่วนได้ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีส่วนประกอบจึงไม่สามารถตายได้ผู้ที่ตายได้คือผู้ที่มีส่วนประกอบเช่นร่างกายร่างกายนี้ต้องมีส่วนประกอบถึงปรากฏขึ้นมาเป็นร่างกายได้ ส่วนประกอบของร่างกายคืออะไรก็คือดินน้ำนมไฟนี้เองธาตุดินก็คือข้าวที่เรากินนี่แหละมาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์ก็มาจากสัตว์ที่ไปกินข้าวกินผักมา้อี ก, อกทอดหนึ่งก็เป็นดินถือว่าเป็นธาตุดินส่วนใหญ่ธาตุน้ำก็น้ำที่เราดื่มกันเข้าไป หรืออาหารที่มีน้ำน้ำแกงน้ำอะไรต่างๆก็มีธาตุน้ำผสมอยู่ธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายเข้าหายออกอยู่ตลอดเวลาธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์นี่และความร้อนที่ได้รับภายในร่างกายเวลาธาตุดินน้ำลมมาผสมกันก็ทำให้เกิดมีความร้อนขึ้นมาในร่างกาย เช่นสังเกตเวลารับประทานอาหารเสร็จนี้จะรู้สึกร่างกายจะร้อนกว่าปกติวนะเพราะเราเหมือนกับเอาเอาเชือไฟเข้าไปในร่างกายเหมือนเอาเชือไฟใส่เข้าไปในกล่องไฟมันก็จะทำให้ไฟแรงขึ้ น, น, ะ น, ะนแล้วนี่แหละคือองค์ประกอบของร่างกายเมื่อมีการรวมของธาตุสี่มันก็มีการแยกตัวของร่างกาย เวลารวมกันเราก็เรียกว่ากำลังเจริญเวลาแยกกันเราก็เรียกว่ากำลังเสื่อมในเบื้องต้นมันจะรวมกันแล้วพอถึงจุดอิ่มตัวมันจะเริ่มนับถอยหลังจะแยกจะแยกออกจากกันแล้วพอมันแยกออกจากกันเต็มที่ก็เกิดความตายขึ้นมาเวลาตายท่าที่ออกไปก่อนก็คือท่าทลมคือไม่เข้าจะไม่มีลมเข้า ลมที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะค่อยออกมาแล้วธาตุที่สองที่จะตามไปก็คือธาตุไฟนะความร้อนในร่างกายก็จะจางหายไปคนเป็นไปจะต้วงคนตายดยูจะรู้ว่าเย็นกว่าคนเป็นคนเป็นนี้จะอุ่นกว่าคนเป็นนี้จะเย็นกว่า ธาตุที่สารที่จะตามไปก็คือน้ำจะแยกน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายไปออกไปตามวาวต่างๆถ้าไม่ได้เอาไปเผาถ้าเผาก็ถูกไฟเผาให้ละเหยไปส่วนที่เหลือก็คือเป็นธาตุดินไปนี่แหละคือองค์ประกอบของร่างกายน่่งกายนี้ไม่เป็นตัวตนร่างกายนี้เปียบเหมือนต้นไม้ดีๆนี่ ต่างกันตรงที่ร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ทำให้ดวงวิญญาณสามารถมาเกาะมาใช้ร่างกายได้แต่ต้นไม้นี่ดวงวิญญาณไปเกาะไม่ได้เพราะต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายให้เกาะนั่นเองต้นไม้ก็เลยไม่มีดวงวิญญาณแต่ร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดราชาเนี่ยพวกนี้มีดวงวิญญาณมาเกาะมีจิตใจมาเกาะแล้วก็จะเป็นผู้ทาบุญทาบาปแล้วก็จะเป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปตั้งแต่ขณะที่ทาเลยพอทาบุญนี้ผลบุญจะปรากฏขึ้นในใจทันทีคือความสบายใจความสุขใจ ทำบาปผลไม่ดีก็เกิดขึ้นในใจทันทีความไม่สบายใจความหวาดวิตกกังวลหวาดวกลัวต่างๆก็เกิดขึ้นมาทันทีนะ yeah. อันนี้แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วพอร่างกายตายไป จิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะจิตใจไม่มีองค์ประกอบไม่มีส่วนประกอบเหมือนร่างกายมันจิตไม่มีการเจริญหรือมีการเสื่อมมันเหมือนร่างกายมันเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดของมันอยู่นั้นไปตลอดเวลามาตั้งแต่ดึกดําบรรและจะเป็นอย่างนั้นไปต่อไปเรื่อยๆจะเป็นผู้รู้ผู้คิดไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆพอร่างกายตายไป บุญหรือบาปที่ผลิตความสุขความทุกข์ก็จะสร้างภาพหรือสร้างเหตุการณ์ในใจให้จิตใจทั้งนี้ดวงวิญญาณได้เ ส, สพสัมผัสรับรู้ภาพเหตุการณ์ต่างๆใ น, ในใจิตใจเราก็เรียกว่าฝันนี่เองความฝันหรือนิมิตต่างๆนิมิตที่ดีก็เกิดจากบุญนิมิตที่ไม่ดีก็เกิดจากบาป แล้วก็มีชื่อชนิดต่างๆของนิมิตนิมิตที่สร้างความหิวโหยเราก็เรียกว่าเปรตนิมิตที่สร้างความหวาดกลัวเราก็เรียกว่าอสุ ร, รากายนิมิตที่สร้างความทุกข์ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราก็เรียกว่านารกจะลองทนไปสักพักดีไหมเดี๋ยวเ <c oughs> ทวด า, า จ, จะให้น้ำมนยังไม่แรงมากลองนั่งไปเดี๋ยว คิดว่าเทวดามาโปรดถ้าถ้าอยากจะย้ายก็ย้ายได้นะอันนี้ที่ข้างบนนี้ก็มีที่นั่งศาลานี้ก็มีศาลาด้านหลังก็มีชั้นบนชั้นล่างถ้าอยากจะย้ายก็ย้ายได้แต่ฝนแบบมีแดดนี้มันมักจะไม่ตกจริงหรอกเป็นฝนเทียมมากกว่านี่เห็นไหยจะหยุดบ้าถ้าฝนไม่มีแดดนี่น่ากลัว แต่ฝนมีแดดนี้เป็นฝนเทียมฝนเดียวๆฝนปลอมก็ตามใจเดี๋ยวให้ขอยากจะย้ายก็ย้ายนี่แมื่พอเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการกระทำอะไรขึ้นมาการฟังธรรมก็ล้มละเนละนาดไปเ <c oughs> <c oughs> พราะไม่มีกระจิตกระจายจะฟังกันละ พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดไปก็ไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นไม่คิดถึงเรื่องธรรมแล้วคิดถึงเรื่องฝนแทนคิดถึงที่หลบฝนจะไปหลบที่ไหนดีไปนั่งที่ไหนดีเอพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยพูดเรื่องอื่นไปพังๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอผู้ฟังตั้งอยู่ในความสงบไม่เคลื่อนไหว ก็ค่อยพูดต่อไปนี่ฝนเดี๋ยวก็หยุดละวดกลองสองสามเม็ดเท่านั้นเองคิดว่าได้น้ำมนต์จากเทวดาเวลาอาบน้ำเปียกมากกว่านี้เรายังไม่กลัวเลยเวลาซักเสื้อผ้ามันก็เปีย ก, ก, กเราก็ไม่เห็นกลัวทำไมเจอน้ำมนต์ของเทวดาหน่อยนี่จะวิ่งหนีกันนะ่ะใช้สติปัญญาคิดหน่อยสิแล้วก็จะ นั่งต่อไปได้ทำใจอย่าไปสนใจกับผลเล็กๆน้อยๆตั้งใจฟังเทศฟังธรรมกันต่อก็เป็นการฝึกสติไปในตัวเพราะว่าการจะทำอะไรได้ด้วยความตั้งใจนี้ต้องมีสติคอยควบคุมบังคับใจให้เกาะติดอยู่กับงานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ เก็กำลังฟังธรรมก็ฟังธรรมอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเสียงฝนกับฝนที่มากระทบถ้าอยากรู้ก็ใช้ปัญญาก็ได้ว่าเวลาอาบน้าเปียกมากกว่านี้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนเวลาซักเสื้อผ้าก็เปียกทั้งหมดก็ไม่เห็นเดือดร้อนตอนนี้ก็คิดว่าเรากำลังอาบน้า<ๆ>กำลังซักเสื้อผ้าไปในตัวก็แล้วกัน ถ้าอย่างนี้เราก็จะนั่งฟังเทศฟังธรรมต่อไปได้ดีสิจะได้เย็นสบายฟังธรรมแบบมีน้ำมาหล่อเลี้ยงเป็นเหมือนอเครื่องปรับอากาศของเทวดาเทวดาเห็นว่าร้อนก็เลยช่วยคลายความร้อนด้วยการปล่อยน้ำฝนมาให้ ถ้าเราตั้งใจฟังก็คิดว่าเป็นการอาบน้ำเป็นการซักเสื้อผ้าไปแล้วก็เป็นการฟังธรรมไปในตัวเลยได้ประโยชน์ต้องสามอย่างนะไหมได้อาบน้ำได้ซักเสื้อผ้าแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปฟังธรรมแบบนี้ก็มีรถมีชาติเป็นอีกแบบหนึ่งได้ประโยชน์หลายอย่างได้สตินะได้ขันติได้ความอดทนได้ความเพียรพยายาม ที่จะทำสิ่งที่ดีไม่ใช่พอจะทำลายดีหน่อยพอจะอุปสรรคหน่อยก็วิ่งหนีกันละอย่างก็จะทำอะไรไม่สำเร็จการที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นี้ต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ต้องมีความเพียรพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆต้องมีขันติอดทนเวลาที่จะต้องรับกับสภาพที่ไม่พึงปรานา ขอให้ฟังให้คิดถึงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการกระทำแล้วเราก็จะได้สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จได้นี่ก็คือเรื่องของการฟังธรรมวันนี้เรามาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมฟังเรื่องว่าใครเป็นผู้กระทากรรมใครเป็นผู้รับผลของการกระทากรรมคือบุญหรือบา คำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆแปลว่าการกระทำไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปแต่เราภาษาไทยมักจะขอยืมคำว่ากรรมมาใช้แทนคำว่าบาปกันแทนที่จะพูดะ่าบุญบาปเรามักจะพูดว่าบุญกรรมเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมไปแต่ความจริงคำว่ากรรมนี้ไม่ได้แปลว่าบาปแปลว่าการกระทาที่ยังไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป ถ้าทำดีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราก็เรียกว่าบุญถ้าทำโทษทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าบาปแต่เรามักจะใช้คำว่ากรรมแทนคำว่าบาปกันแต่ขอให้เข้าใจว่าเวลาที่เราพูดกฎแห่งกรรมหรือพูดว่าการกระทำกรรมคือการกระทำนี้ เป็นการกระทาที่ไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปต้องไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องบ่งอีกทีถึงจะรู้ว่าเป็นการกระทาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปเช่นถ้าเราไปภาสัตว์ลักทรัพย์นี่เรียกว่าเป็นการกระทาที่เป็นบาปถ้าเราไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าเราไปทาบุญนี่คือและผู้กระทาไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทาผู้กระทานี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็เลยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการไปทำบุญหรือไปการไปทำบาปแล้วพอทำเสร็จแล้วผู้ที่รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลบุญผลบาปคือใจคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์ร่างกายอาจจะเป็นผู้เคาะร้ายผู้ที่อาจจะ ตกกระไดพลอจโจรไปกับใจเช่นเวลาเขาจับไปลงโทษเขาก็ลงโทษใจไม่ได้เขาก็เลยต้องลงโทษร่างกายไปแต่ความจริงการลงโทษร่างกายก็เท่ากับลงโทษจิตใจเพราะเวลาร่างกายถูกลงโทษจิตใจก็เจ็บขึ้นมาเหมือนกับร่างกายเจ็บเพราะจิตใจยังหลงคิดว่าตนเป็นร่างกายอยูอ่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม เป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นนิยายที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมาเพื่อหลอกให้พวกเรามาทาความดีกันเพื่อให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเท่านั้นมีผลต่างๆตามมาอีกมากมายหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วผลแรกก็คือเนี่ยไปเป็นดวงเวีย ญ, ญาณที่สุขือทุขแล้วนอกจากนั้นยังพาไปเกิดใหม่อีก ไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่ไปบุญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปรับความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตาย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจบจะไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีใครรู้วิธีว่าทำไมเราจึงต้องมาเกิดกันทำไมเราต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน จะมามีจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าผู้ที่อยากจะรู้ความจริงของตนเองว่าตนเองนี่เป็นใครกันแนะ่เป็นอะไรกันแนะ่ทำไมจึงต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทำไมไม่ต้องมาแก่ไม่มาเจ็บไม่มาตายไม่ได้หรือในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งได้ครับคำตอบว่า การที่มาเกิดนี่ก็เพราะใจมีความอยากสามประการอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวที่คอยผลักดันจิตใจให้ไปหาสิ่งต่างๆหาผ่านทางร่างกายพอร่างกายที่มีอยู่ตายไปก็ให้ไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อมาทำหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ต่อไปถ้าอยากจะยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย ๆ, ๆก็ต้องหยุดตัวความอยากทั้งสามตัวนี้ตัวที่คอยผลักดันให้จิตใจไปมีร่างกาย<ม>วิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ก็คือต้องใช้อุบายที่เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ ก็คือให้ใช้การทำบุญทำทานให้ใช้การรักษาศีลให้ใช้การภาวนาเนี่เป็นเครื่องมือมากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะการทำทานก็เป็นการฝืนความอยากหยุดความอยากเช่นเราอยากเอาเงินไปเที่ยวพระพุทธเจ้าบอกเอาเงินไปทำทานดีกว่า เพราะว่าถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวเราก็จะมีความอยากเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่เอาเงินไปเที่ยวความอยากเที่ยวก็จะมีน้อยลงไปเอาเงินไปทำบุญทาทานหรือเอาเงินไปเก็บไว้เฉยๆก็ได้บางคนเอาเงินเก็บไว้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการไปฝึกสมาธิก็ได้ไปอยู่วัดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรช่วยเหลือวัด ก้าอาหาร แ, แทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปภาวนาอย่างนี้ก็จะเป็นการลดตัดความอยากต่างๆรู้สึกว่าคราวนี้จะมาจริงมั้งงั้นจะให้พรก่อนดีกว่านะเดี๋ยวญาติโยมจะได้กระจายกันได้ขออภัยที่ต้องอาจจะต้องยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อน ยะถาวาริวาหาปุราปริปเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิช an ิตตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวโตวันตารายุสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาานศีลิสานิจจังวุฒาปจายโน จะตาโรธรมาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขอ ให้ใส่กรดเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา322ย t u b บ300วิทยุออนไลน์9รับฟังข้างบนนี้148คนรวมทั้งหมด779ครับใครมีคำถามอยากจะถามก็ยกมือขึ้น จะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคําถามจากทางบ้านก่อนคําถามจากคุณน้ําแกงไตปลาผู้ที่ใช้ชีวิตภาวนาถือศีลโดยการใช้ปัจจัยซึ่งเป็นของบิดามารดามาใช้ในการใช้จ่ายทําบุญทําทานผู้ถือศีลคนนั้นจะได้ผลบุญไหมครับและบิดามารดาผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ผลบุญด้วยไหมครับ ถ้าเป็นของปิดามารดาที่ยกให้เราแล้วปิดามารดาก็ได้บุญแล้วจากการยกทรัพย์สมบัติให้เรามาท่านได้ทำทานของท่านแล้วท่านสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้เรามาทรัพย์ที่เราได้มาโดยสุจริตเราเอาไปทาบุญทาทานเราก็ได้บุญไม่มีบาปติดมาแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่เราไปช่อกงมา เรามาทำบุญถึงแม้เราจะได้บุญแต่มันก็มีบาปติดมาด้วยเป็นเนื้อแล้วเป็นเนื้อมีมันติดด้วยไม่มีเนื้อล้อนล้นหรือถ้าเป็นปลาก็มีก้างติดมาด้วยแต่ถ้าเป็นเงินทองที่เราได้มาโดยสุดจริญอันนี้เป็นบุญร้อยเอร์เซ็นไม่มีก้างไม่มีไม่มีมันติดมาด้วยอันนี้ ถ้าเป็นของที่เป็นของเราแล้วเราเอาไปทําบุญก็เราก็ได้บุญทันทีคําถามต่อไปจากคุณวิจัยเมื่อเจอทุกข์แล้วให้กําหนดอย่างไรครับเช่นเมื่อถือสินแปดแล้วหิวนึกอยากทานเรากําหนดปฏิกูลสัญญาใช่ไหมครับก็เราก็ต้องค้นสาเหตุก่อนของความหิวว่ามันเกิดจากอะไร ความหิวมันมีสองส่วนในการความหิวทางร่างกายและความหิวทางจิตใจความหิวทางร่างกายเราพอเราตั้งใจรักษาศีลเราก็รู้ว่ามันไม่ตายไม่เป็นไรอพดไปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเองั้นเราไม่ต้องกินแต่ความหิวทางใจมันยังไม่ยังไม่หยุดถ้าเราต้องการให้ความหิวทางใจหยุดเราก็อย่าไปคิดถึงภาพของอาหารที่น่ารับประทาน เพราะความหิวทางใจนี้เกิดจากเวลาเราคิดถึงอาหารที่น่ารับประทานต่างๆพอคิดแล้วก็หิวน้ำลายไหลออกมาพอเราไปคิดถึงภาพของอาหารที่ไม่น่ารับประทานความหิวทางใจก็จะหยุดได้คิดถึงอาหารที่เป็นปฏิกูลอาหารที่บูดที่เน่าที่เสียอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่ขับถ่ายออกมา พอนึถึงภาพของอาหารเหล่านี้แล้วความอยากรับประทานอาหารก็จะหายไปความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปจะทนอยู่กับความหิวของร่างกายได้เพราะความหิวของร่างกายนี้เบาเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวของใจ1หนึ่งต่อสิความหิวของร่างกายเพียงหนึ่งส่วนความหิวทางใจนี่สิบ พอเราดับความหิวทางใจได้แล้วเหลือแต่ความหิวทางร่างกายมันก็เลยไม่เดือดร้อนเพราะนอกจากเวลาที่ความหิวทางใจดับแล้วความอิ่มใจก็เกิดขึ้นมาด้วยแทนกันความอิ่มใจก็เลยทำให้ทนอยู่กับความหิวทางร่างกายได้อย่างไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดถึงทำให้อดได้มากขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าอดถึงสี่สิบเก้าวันใครับอนี้ คำถามจากผู้ฝากถามนะครับเวลาจิตใจอยู่กับกิเลส ต, ตัณหาที่ผิดศีลผิดธรรมเหตุใดจึงละได้ยากคอยคิดตอนเหม่อลอยจะละทิ้งได้อย่างไรเพราะว่าเราเคยทำตามมั น, นจนติดเป็นนิสัยไปเราเคยทำอะไรแล้วมันจะง่ายสิ่งที่เราไม่เคยทำมันจะยากสังเกตดูเราใช้มือไหน ถ้าเราใช้มือนั้นเราก็จะมักจะใช้มือนั้นไปเรื่อยๆเพราะมันง่ายถ้าเราต้องใช้อีกมือห น, นึ่งมันยากเังนั้นมันเป็นเรื่องของฤิสัยแต่เราแก้ได้แต่ต้องใช้ความพยายามฝืนมันเหมือนถ้าเราเคยใช้ถนัดมือขวาแต่เราอยากจะมาใช้มือซ้ายเพราะเราอาจจะมีปัญหาทางมือขวาเราก็ต้องบังคับ ฝึกไปเรื่อยๆหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานเราก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาใหม่เราก็จะถนัดมือซ้าย mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราชอบทําอะไรทําบาปทําตามความอยากต่างๆมันเป็นนิสัยของจิตใจของผู้ที่มีมาเกิดกันอย่างพวกเราแล้วเราก็ฝืนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝืนมัน ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่คือเป็นเครื่องมือที่จะฝืนความอยากเก่าและสร้างความอยากใหม่ขึ้นมาได้มีคาถามไหมโย่ที่ว่ามีคาถามคาถามต่อไปจากคุณเปร ม, ามปากมารทำความสะอาดพระพุทธรูปและทำความสะอาดวัดมีอนิสงอย่างไรบ้างครับ ก็ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นบุญอย่างหนึ่งการรับใช้ผู้อื่นเป็นจิตอาสาเป็นอะไรทำนองนี้คือการทําบุญบางทีบางคนอาจจะไม่มีทรัพย์ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะทําก็ใช้กําลังกายแทนก็เป็นบุญเหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณจินคอปในภพที่ไม่มีร่างกายวิญญาณขันในขันห้า กระทบรู้หรือรับรู้ได้อย่างไรและเกิดดับอย่างไรครับการรับรู้รูปทิพย์เสียงทิพย์ที่ผลิตขึ้นมาในจิตนะในจิตก็เป็นแหล่งของการผลิตรู ป, รปทิพย์เสียงทิพย์เช่นตอนที่เรานอนหลับเนะพอนอนหลับรูปทิพย์เสียงทิพย์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาวิญญาณที่รับรู้รูปทิพย์เสียงทิพย์ก็จะรับทราบแล้วก็ให้สัญญาสังขารรับทราบต่อ ทำให้เกิดสุขทุกเวทนาตามมาเหมือนกับตอนที่เราดูรูปหยาบเสียงหยาบด้วยตาของร่างกายด้วยหูของร่างกายเหมือนกันทุกอย่างอวิธีเสพรูปเสียงกินลดเหมือนกันถ้านอนหลับก็ใช้อรูปทิฟเสียงทิเอท่านเวลาตื่นขึ้นมาก็ใช้รูปหยาบเสียงหยาบผ่านตาหูจมูกลิงกายอืม คำถามจากคุณสิริพรอยากให้พระอาจารย์อธิบายการทำงานระหว่างผู้รู้กับผู้คิดและการจะแยกผู้รู้ออกจากผู้คิดและจับหลักไหนถึงจะสลัดผู้คิดออกจากเราได้ครับคือผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เป็นเหมือนแฝดสยามเหมือนอินกับจันไปไหนไปด้วยกันผู้รู้นี้เป็นผู้เฉยผู้เงียบไม่แสดงอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เป็นผู้รับรู้ สิ่งที่ผู้คิดคิดขึ้นมาผู้คิดบอกไอ้นั่นดีผู้รู้ก็เออดีผู้คิดว่าไอ้นี่ไม่ดีผู้รู้ก็เออไม่ดีตายไปด้วยกันวิธีที่จะแยกผู้รู้จากผู้คิดก็ได้โชคข่าวคือเวลาทำใจให้สงบนั่งสมาธิก็จะหยุดผู้คิดได้พอหยุดผู้คิดก็จะเหลือแต่ผู้รู้เราก็จะเห็นว่าผู้รู้นี้ไม่มีพิษมีภัย ผู้รู้ที่ปราศจากผู้คิดนี้มีความสุขมีอุบเบกขาแต่เวลามีผู้คิดขึ้นมาอยาผู้รู้เดี๋ยวกิเลสตันหาความโลภความอยากในผู้รู้ก็จะออกมาทำให้สร้างความวุ่นวายต่างๆให้กับผู้รู้อีกทีหนึง่งฉะนั้นผู้ต้งเึงต้องรู้ว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อผู้คิด ผู้คิดที่ให้คิดไปในทางเกิดความอยากต้องฝืนมันอย่าไปทำตามมันแล้วต่อไปความอยากความโลภต่างๆก็จะหมดพอไม่มีความโลภความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาผู้รู้ก็จะเป็นผู้รู้ที่อยู่กับความสงบอยู่กับโอเบกขาผู้คิดก็ไม่คิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆ คำถามต่อไปจากคุณสุภรชัยอุคาหะนิมิตมีลักษณะเป็นอย่างไรและจะเกิดขึ้นได้เมื่อใดครับมันคําว่าอุคาหานิมิตคือนิมิต ท, ที่ปรากฏปั๊บขึ้นมาแล้วก็หายไปเช่นอาจจะเห็นภาพโครงกระดูก ข, ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเห็นอาการ32ของร่างกายเห็นซากศพนี่ยเห็นมาแล้วปั๊บเดียวมันก็หายไปเรียกว่าอุคาหะนิมิต ขั้นที่สองก็ทำให้อุคานิมิตเป็นปฏิภาคานิมิตก็คือเราต้องพิจารณาเพื่อที่จะได้รักษานิมิตนี้ให้มันตั้งอยู่พิจารณาการ32ของร่างกายไปดูผมขนและปันน้งเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูศพ ส, สิบชนิดด้วยกันศพที่ตายใหม่ศพขึ้นอนอ่ดศพที่มีเขียวฟกช้ำดําเขียวศพที่ถูก หมาสุนัขหรือสัตว์กัดแขนขาขาดกระจายไปคนละทิตย์คนละทางจนถึงศพที่แห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกเนี่ยอันนี้เป็นปฏิภาคนิมิตเนอุคานิมิตก็คือนิมิตปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นภาพเฉยๆภาพนิ่งไม่เป็นภาพเคลื่อนไหวเ ป, เป็นเรียกว่าเป็นเจเพไม่ใช่เอ็มเพถ้าเอ็มเพนี้มีการเคลื่อนไหว มีการแยกมีการอะไรต่างๆเป็นภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวอุคานิมิตนี้เป็นเหมือนภาพนิ่งเห็นภาพก็เฉยเป็นภาพเฉยเห็นร่างกายก็เป็นร่างกายเฉยถ้าอยากจะเห็นสัดส่วนอื่นๆของร่างกายนี้ต้องใช้ปัญญามามาแยกแยะ ก, ก็จะเป็นปฏิภาณิมิตเด คำถามต่อไปจากคุณพิมพนันเวลาที่โยมขับรถพอจิตใจมันว่างโยมก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆและแผ่เมตตาไม่ทราบว่าสามารถทำได้ไหมครับคือทำได้แต่ถ้าเกิดมีอะไรกระทันหันอาจจะแก้ไขไม่ทัน ดังนั้นทางที่ดีเวลาเราทําอะไรไม่ควรไปทําอย่างอื่นควรทําอย่างเดียวดีกว่าถ้าขับรถอยู่กับการขับรถอย่างเดียวมีสติดูถนนหนทางดูรถที่จะมาเบียดมาแทรกมาแซงหรือมาเข้ามาเตะเลนผิดอะไรทํา น, นองนี้ถ้าเราเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเราก็จะแก้ไขทันท่วงที แต่ถ้าเราหมัวไปสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ไม่เลยดูแล้วดูแต่ไม่ดูอย่างใกล้ชิดพอมันกระชั้นชิดขึ้นมามันจะแก้ปัญหาไม่ได้ทันยั้นไม่ควรสวดมนต์ไม่ควรฟังเทศฟังธรรมในขณะที่เราทําอะไรอยู่ประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ได้เต็มร้อยได้แบบห้าสิบห้าสิบขับรถก็ได้ห้าสิบฟังเทศสวดมนต์ก็ได้ห้าสิบ มันก็เดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้างนั้นคนจะทําอะไรทําแบบเต็มร้อยดีกว่าขับรถก็ขับแบบเต็มร้อยอยู่กับการขับรถไปสวนมนต์ก็สวดแบบเต็มร้อยอยากจะสวดก็จอดรถก็นั่งสวดไปในรถนะั่นหละหรือฟังเทศไปในรถก็จะได้เต็มร้อยอย่างนั้นจะดีกว่า <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณเปรม <c oughs> เคยได้ยินมาว่าถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วปัญญาทุกชนิด จะเกิดอยากรู้อะไรจะได้รู้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการเรียนเลยจริงแท้ประการใดครับถ้าเป็นของเก่าที่มีอยู่ในใจมันก็ไม่ต้องเรียนพอจิตสงบของเก่าที่มันถูกความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันกรอบไว้มันก็โผล่ขึ้นมาได้บางทีเราจะทำใจให้สงบแล้วเราจะรู้สึกว่าเห็นอะไรช่องทางต่างๆที่เรามองไม่เห็น เพราะขณะตอนที่ใจไม่สงบความคิดมันมาคิ ด, คดพยายามหาทางมันก็เลยไปกลบให้ความคิดความรู้ที่จะมาให้เราเห็นอะไรปรากฏขึ้นมาได้ พอเราทำใจให้สงบความรู้ต่างๆที่เราเคยมีอยู่ในใจเรามันจะโผล่ขึ้นมาได้เพราะใจเราก็เป็นเหมือนเครื่องคอมเนียนเยมันเครื่องมือถือเนี่ยเราเก็บภาพเก็บเสียงอะไรไว้เยอะแยะแต่ถ้าเราวมดูแต่ภาพปัจจุบันฟังเสียงปัจจุบันเราก็จะไม่ได้ดูภาพหรือเสียงที่มีเก็บไว้ในเครื่องแต่พอเกิดไม่มีการติดต่อเชื่อมออนไลน์ติดต่อดูภาพใหม่ไม่ได้ดูเสียงใหม่ไม่ได้ เราก็มาดูของเก่าที่อยู่ใน อ ด, ดีตของเราอันนี้ก็เหมือนกันเวลาไม่ได้ออนไลน์ก็เหมือนจิตใจสงบจิตใจสงบก็ดูของเก่าที่มีอยู่ในจิตใจได้ความรู้ต่างๆเช่นระลึกชาติก็ระลึกชาติได้ถ้าคนมีความจำได้ดีก็สามารถระลึกถึงชาติในอดีตต่างๆได้หรือความรู้ต่างๆที่เคยมีอยู่ก็โผล่ขึ้นมาได้แต่ความรู้ใหม่นี้ไม่มีมันไม่โผล่ เป็นความรู้ที่จะพาให้สู่การหลุดพ้นจากกองทุกนี้มันไม่มีมันไม่โผล่ขึ้นมาต้องศึกษาจากผู้ที่มีความรู้อย่างนี้คือพระพุทธเจ้าคือต้องศึกษาอนิจจังทุกขังอนัตตาศึกษาอริยาศาศาสัจสีเป็นความรู้ที่ไม่มีฝังอยู่ในใจของสัตว์โลกต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอน ความรู้เหล่านี้จะมีฝังอยู่ในใจของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผูุ้ชนนี้จะไม่มีความรู้เหล่านี้แม้จะนั่งสมาธิเข้าฌานได้ระดับไหนก็ตามเช่นยุคตอนที่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตัดจรู้ก็ส่งเรียนวิธีนั่งสมาธิเข้าฌานต่างๆนั่งเข้าไปแล้วความรู้ที่จะพาให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่มีอยู่ในใจ เลยต้องค้นคว้าศึกษาตอนต้นก็ไปศึกษาจากผู้อื่นคิดว่าเขาจะมีเขาก็ไม่มีกันในในที่สุดก็เลยต้องมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจึงปรากฏความรู้ใหม่ปรากฏขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าของพระพุทธเจ้าคือได้ค้นคว้าพบอาภาอาริยรสัจ ส, สีค้นคว้าพบอนิจจังทุกขังอนัตต า, าก็เลยทาให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกได้ คำถามต่อไปจากคุณแบงค์เวลาที่ใสบาตรเสร็จแล้วพระท่านยืนให้พรผมนั่งรับพรด้วยความเคารพแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือความจริงช่วงบินตบาตนี่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นช่วงที่ให้พรมรับพรเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะต้องรับบินฑบาสจากคนเยอะะไปหมดถ้ามั่ให้พรทุกคนเดี๋ยวเพนไม่รู้จะกลับถึงวัดเท่าไ่ ฉะนั้นผู้ตามหลักแล้วจะไม่มีการให้พรในช่วงบินทบาทอันนี้อาจจะเป็นพร ะ, พระ ม, ามาบวชใหม่แล้วทําตามคนที่เชื่อผิดๆมาก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมขึ้นมาแต่ถ้าไปฝึกฝนอบร ม, มกับพระที่เป็นผู้ที่รู้ธรร ม, มะ น, น่ฉันจะไม่มีการให้พร นอกจากกรณีพิเศษเขาขอเขาท่านก็อาจจะพูดสั้นๆให้สุขให้เจริญนะไม่ใช่นั่งมาสวดยาวไปเดี๋ยวเวลาจะกลับวัดไปไม่ไ ม, มีเวลาฉันนะน้มัวแต่ให้พรคนนี้ก็ยะถาสัพพีหนึ่งรอบอีกคนก็อีกหนึ่งรอบโอ้ยเดี๋ยวก็ถ้าร้อยคนก็ร้อยรอบเนี่ยอย่างเช่นวันเมื่อวานนี้คนเป็นพันนี่ถ้าให้ที เวทหลายพันรอบกว่าจะได้ฉันก็ขนาดไม่ได้ให้พรนี่กว่าจะเสร็จก็ต้องเก้าโมงกว่าเะยเริ่มตั้งแต่หกโมงครึ่งเมื่อวานนี้กว่าจะเสร็จก็เกือบเก้าโมงแล้วกว่าจะไปรับของในศาลาของฉันอีกอะไรกว่าจะได้ฉันก็สิบโมงกว่าเข้าไปเกือบจะเพนเข้าไปล้วถ้ามัวให้พรกับคนอีกพันกว่าสองพันนี้ก็ไม่ต้องฉันเพนกันแล้วไม่ต้องฉันอาหารกันวันนั้น นั้นทำเนียมให้พรรับพรจรึงไม่มีในช่วงบินทบาตนอกจากถ้าไปกรณนนีพิเศษวันนี้เป็นวันเกิดขอพอรหน่อยข้าแต่ก็บอก่าอายุวันโนสุขขังพลังสั้นๆพอให้กําลังใจท่านั่นเองแต่ความจริงพรมันเกิดจากการกระทําของเราแล้วนั่นแหละต่อให้ใครมาให้ก็ไม่ได้มากกว่าที่เราทําต่อให้พระพุทธเจ้ามาให้พรเราเราก็ไม่ได้มากกว่าพรที่เราได้จากการทําทานของเรา คำถามต่อไปจากคุณชัยโรจน์จิตเป็นความคิดใช่ไหมครับจิตเป็นความรู้สึกหรือเปล่าครับจิตมวลจิต <kop ards. S 1> เป็นความรู้สึกนึกคิดเอมีอยู่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรถมีความรู้สึกสุบทุกจําได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงแต่งแต่เ ง, งเรื่องราวต่างๆนี่คือจิตผู้รู้ผู้คิด และจิตเห็นจิตคืออย่างไรครับก็จิตหันกลับก็มองจิตไงธรรมดาจิตจะมองคนอื่นใช่หไหชอบไปดูรูปเสียงกลิ่นนสดกันอยากจะเห็นจิตก็ต้องนั่งสมาธิดึงจิตกลับเข้าข้างในพอกลับเข้าข้างในก็จะได้เห็นตัวเองคำถามต่อไปจากคุณกำพลถ้าเราประมูลพระแล้วเอาเงิน เราไปทำบุญแบบนี้จะได้บุญไหมครับได้ก็เป็นสินค้ายอย่างหนึ่งท่านเองพระก็เป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีคนนิยมที่จะซื้อเราก็ขายได้ถ้าเราไม่ไปโกหกหลอกลวงเขาเว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอะไรต่างๆนอกจากถ้าเราคิดว่ามีจริงก็ไม่ว่าก็ไม่ถือว่าหลอกลวงแต่ถ้าไม่มีแล้วไปหลอกลวงเขาเพื่อที่จะให้เขา อยากซื้อขึ้นมาเราซื้อในราคาแพงๆอันนี้ก็เรียกกาเป็นการหลอกลวงได้คาถามต่อไปจากคุณเปรมจิตมีพลังมากขนาดไหนครับก็ทำให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ค่ากิเลส ต, ตัณหาที่มีในใจให้หมดไปได้นี่คือพลังของจิตที่แท้จริงเป้าหมายของขอ ง, ของการใช้พลังจิตก็คือมาค่ากิเลส ต, ตัณหา พตัวนี้เป็นศัตรูกับจิตใจตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจต้องกําจัดตัวนี้คำถามจากคุ ณ, คณวินันต์เวลาที่นั่งสมาธิเกิดวุ่นวายใจจะแก้ไขอย่างไรได้ครับก็ต้องกลับมาหาพุทโธอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวก็วุ่นวายใจต้องมีพุทโธพุทโธซึ่งเป็นเหมือนเบรกความคิด เหมือนรถยนต์เราจะเบรกเราต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆจะหยุดรนยนต์ได้ต้องเหยียบเบรกไปเรื่อยๆไม่ใช่แตะเบรกสองครั้งแล้วก็ปล่อยเบรกมันก็วิ่งต่อนั่งสมาธิพอพุโทโธได้สองครั้งก็หยุดพุดโทโธเดี๋ยวมันก็เกิดความคิดพุ่งสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆความคิดพุ่งสร้างก็จะไม่เกิดคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม บุพการีมีหนี้สินแต่ท่านไม่สามารถใช้หนี้ได้เราในฐานะเป็นบุตรจึงรับใช้หนี้แทนท่านแต่ตอนนี้เราก็ลำบากทุกข์ใจขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ข้อคิดด้วยครับก็แบกเท่าที่เราแบกได้เนี่ยถ้าแบกของหนักกว่าหลังก็หักไดเ้เห็นจะช่วยใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้เท่านั้นเอง ถ้ามันสดวิสัยก็ต้องปล่อยไปตามตามเรื่องของมันคำถามต่อไปจากคุณคันชิตมีคนใส่กักบดักหนูไว้ผมเดินไปเจอและปล่อยหนูผมจะผิดศีลข้อสองไหมครับก็อาจจะไปเอาคองของคนอื่นไป ถ้าอยากจะปล่อยต้องไปถามเจ้าของก่อนเขาปล่อยได้ไหมเพราะเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาเป็นผู้ไปดักสัตว์ชนิดนั้นมาเหมือนเขาไปดักปลาเนี่ยแล้วเราก็ไปปล่อยปลาที่เขาดักมามันก็เหมือนไปเอาของของคนอื่นไปนก็เป็นการลักทรัพย์ได้คำถามจากคุณวนิสราโยมชอบเดินภาวนา และไม่นั่งสมาธิเลยจะได้ไหมครับได้แต่ได้เพียงครึ่งเดียวคือได้สติแต่ยังไม่ได้สมาธิถ้าอยากได้สมาธิได้ความนิ่งสงบเต็มที่ก็ต้องนั่งคำถามต่อไปจากคุณสาติมาการถวายผ้าไตรจะอธิษฐานอะไรได้บ้างคะไม่ได้หรอกทำถวายอะไรนั้นก็ได้เท่านั้นอ่ะ ทำทานก็ได้ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ทำบาปสวรรค์ก็มีหลายชั้นอยากได้ชั้นสูงก็ต้องทำมากอยากได้ชั้นต่ำก็ทำน้อยอันนี้ไม่ต้องขัดิฐฐานไม่ต้องขอเหมือนกับ ไปซื้อของทีลราเนี่ยมีเงินสิบบาทก็เขาก็ให้ซื้อของราคาสิบบาทจพไปที่ถอนขอคนขายว่าขอของร้อยบาทได้หอเป่ามันขอไม่ได้เหรอก็ได้เท่าที่ราคาที่เงินที่เรามีให้เขานั่นแหละทำทานก็เหมือนกันทำทานอ น, นิสงส์งของทานก็คือได้ความอิ่มใจดินลาใจตายไปก็ได้ดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ะ แล้วถ้ากลับมาเกิดก็จะได้เงินที่ได้เงินคืนมาเวลาที่เรากลับมาเกิดเงินที่เราทาบุญทาทานทุกบาทจะกลับมารอเราอยู่เวลาเรามาเกิดใหม่แล้วมีดอกเบี้ยแถมให้ด้วยเพราะฝากไว้หลายปีก็จะกลับมาเกิดนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีก็จะได้มากกว่าเงินที่เราทำไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามคารวาสบรรลุธรรมแล้วต้องบวชถ้าไม่บวชจะต้องตายจริงเท็จประการใดครับไม่จริงหรอกมันจะตายมันบวชหรือไม่บวชมันก็ตาย <laughs> คำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าเมื่อนึกถึงว่ากายไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่ของเราเหมือนดินฟ้าอากาศบังคับไม่ได้จิตจะเบาไม่ถุกร้อน ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องนึกคิดอีกแล้วใช่ไหมครับใช่มันต้องทำไงไม่ใช่นึกเฉยๆถ้าแฟนไม่ใช่เราก็ยกให้คนอื่นไปนันมันจะเบาขึ้นมาทันทีเงินทองไม่ใช่ของเราก็ยกให้คนอื่นไปนั่งกายไม่ใช่ของเราก็ยกให้คนอื่นไปยอมตายยอมแก่ยอมเจ็บจริงๆมันถึงจะเบาจริง มันไม่ใช่เบาจากความคิดเดียวเดียวถ้าคิดเดียวเดียวมันก็เบาเดียวเดียวมันต้องทำแล้วมันถึงจะเป็นของจริงขึ้นมาหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามอยู่ไห ม, มได้เดี๋ยวขอไมโครโฟนไปกันสเสียงจะได้ยินชั่วกันผู้ใจปาก จะจะกลับถามว่าเรื่องการอุทิศส่วนบุลให้ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วอะค่ะว่าเราควรจะกวดน้ำแบบแห้งหรือว่าแบบกวดน้ำลงดินนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนก็เอกแบบนั้นนะแต่ถามว่าต้องมีน้ำไม่ไม่ต้องมีก็ได้พราที่เรากวดไม่ใช่น้ำที่เรากวดคือบุญ mm hmm. บุญมันอยู่ในใจเราวิธีกวดบุญในใจเราต้องนึก ขึ้นมาว่าเขาทิศส่วนบญนี้ให้กับผู้ลงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ถ้ารอรับอยู่ก็มาปลดรับไปได้เลย <Okay. S 1> ต้องต้องต้องพูดในใจต้องคิดในใจถ้าไม่พูดไม่คิดเขาไม่รู้ว่าใครเป็นจะให้ใคร <Okay. S 1> แต่ไม่ต้องมีน้ำก็ได้มีก็ได้ถ้าเราไป ทำบุญกับคนอื่นเขาใช้น้ําแล้วก็ทําไปกับเขาก็ได้เดี๋ยวจะเรากลาเป็นคนแปลกแยกไปแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ทําไม่มีใครก็พูดอะไรไม่ว่าอะไรเราก็ไม่ต้องทําก็ได้อย่างที่นี่ไม่มีน้ําเห็นไหมทีนี้มากวดมาเวลาทําบุญเสร็จฟังเทศฟังธรรมรับพรก็ไม่มีการกวดน้ําเลยครัอืมค่ะอืแล้วก็สงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องการอนุโมทนาบุญนะคะ เวลาเราเห็นผู้อื่นทําทําทานหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ร่วมอนุมโมทนานี้เราจะได้บุญ <c oughs> เขาบอกว่าได้บุญด้วยครึ่งหนึ่งใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่ใช่ครึ่งเนี่ยบุญคนละอย่างบุญที่เราได้คือความสุขใจความยินดียินดีไปกับการทําบุญของเขา <c oughs> ถ้าเราไม่อนุมโมทนาบางทีเราอาจจะอิจฉาเขาเห็นเขาได้ทําบุญเราไม่ได้ทําบุญอาจจะอิจฉาเขาหรืออาจจะอ น้อยใจเสียใจที่ไม่ได้ทําบุญแต่ถ้าเราเห็นเขาทาบุญแล้วเรายินดีไปกับเขาเราก็ได้ความยินดีแต่ไม่ได้บุญแบบที่เขาทําคนละอย่างกันบุญคนละอย่างกันถ้าอยากจะได้บุญแบบเขาก็ต้องส่งเงินไปให้เขาฝากเข้าไปทําบุญด้วยเป็นบุญคนลชนิดอาหารกับแบบคนละชนิดเนี่ย อาหารชนิดที่เขาทำมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวอาหารที่เราได้จากการนุ่มาดนาเป็นข้าวต้มอย่างเงี้ย ม, มันคนละอย่างกันแต่ก็เป็นอาหารทําให้เราอิ่มใจอิ่มสุขใจได้เหมือนกันหมนแล้วใช่ไ ม, มอีกสองคำถามคร อ, อ้ต่อคําถามจากผู้ฝากถามนะครับ เวลาผมภาวนาหายใจเข้ากำหนดพุทธหายใจออกโทไปสักพักจิตเริ่มฟุง้งปรุงแต่งไปเรื่อยอันนี้ผมใช้บริกรรมพุทธโทอย่างเดียวไปก่อนได้ไหมครับได้ดีกว่าเพราะมันไม่ยุ่งยากและเราสามารถบริกรรมได้เร็วเพราะ้างทีคิดมากเราต้องบริกรรมให้มันเร็วขึ้นมันจะได้สู้กับความคิดได้แต่ถ้าจิตมันเริ่มสงบแล้วจะมาดูลม ต่อก็ได้เปลี่ยนได้เหมือนเปลี่ยนเกียร์รถถ้าอยู่ในที่ที่รถมันวิ่งช้าก็ต้องเข้าเกียร์ต่ำนะพอไปขึ้นทางด่วนที่วิ่งความเร็วสูงเราก็เปลี่ยนเกียร์สูงได้สภ า, าพจิตก็เหมือนกับท้องถนนนี่เวลามันฟุ้งซ่านมันก็ต้องใช้เกียร์ต่ำนะเวลามันไม่ฟุ้งก็ใช้เกียร์สูงคาถามจากคุณวิชาญ ทำงานทุกวันต้องเจอปัญหากับผู้คนมากมายต้องวางใจแบบไหนครับก็คิดว่าเป็นเป็นวิธีหาเงินของเราเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเขาก็ไม่มาจ้างเรานะเราก็ไม่ได้เงินเดือนฉะนั้นให้คิดถึงผลที่เราจะได้รับจากการแก้ปัญหาให้กับเขาอถือว่ามันเป็นเป็นโชคกลาภเนี่ยเวลาปัญหามาคนจะดีใจถ้าเกิดไม่มีปัญหาเราก็ว่างงาน เดี๋ยวก็เขาปวดเราออกจากงานอย่างนี้มองอย่างนี้เวลาเจอปัญหาว่าดีเราจะได้มีงานทำํำเราจะได้มีเงินเดือนใช้เอให้คิดไปในในทางที่ดีแล้วส่วนจะแก้ได้ไม่ได้ก็เราก็ทําสุดเต็มที่ของเรากแล้วกันเพราะปัญหาบางอย่างบางทีมันก็แก้ไม่ได้มันเหนือความสามารถของเราเราก็ต้องยอมรับมันไป